พระธรรมเทศนาแผ่นที่58ลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่29ตุลาคม2556มีชื่อเรื่องว่ายามศึกเรารบยามสงบเราเตรียม วันนี้เป็นวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2556เมื่อวานพวกเป็นข้าราชการทำงานเกี่ยวกับธนาคารเกี่ยวกับตำรวจก็ได้ลาสิกขาไป5องค์เมื่อวานนี้เดี๋ยวว่าก่อนที่จะลาสิกขาหลวงพ่อก็เน้นหนักลูกหลานนะผ่านนาะคำน้อยนะหยุดนะสุราหลวงพ่อบอกนะ เน้นหนักเรื่องสุราเพราะท่านดื่มสุราเข้าไปแล้วคนขาดสติแล้วจะไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําไม่รู้จักพ่อแม่พี่น้องปูย่ย่าตายายไม่รู้จกักวัดวาศาสนายิ่งติดสุราเป็นอาจนินแล้วแล้วก็ไม่รู้จักกระทั่งตัวเองถึง เ, เพอเพอเป็นบ้านโดยปริยายเพราะนั้นลูกหลานนะที่ผ่านนาคำน้อยมานะอในหลวงพ่อเน้นหนักจากนั้นก็นตั้งหคนเราเนี่ย ถึงจะไปอยู่คุน แ, แล้วแห่งละวโหนกันก็ให้ประสานติดต่อกันเมื่อคราวจําเป็นเราก็จะได้ไปพึ่งพาอาศัยกันให้รู้จักกันเอาไว้ดีกว่าดีกว่าที่จะอยู่คนเดียวเพราะมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาก็ต้องมีหมู่มีเพื่อนมีพักมีพวกเมื่อลาสิกขาไปแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันหนะ้าลูกหลานหะน้าหลวงพ่อก็ได้บอกกล่าวแต่ก็น่าปลื้มใจ ท่านผู้หมวดคงจะเคยเป็นวิทยากรพิธีกรมาก่อนพอเข้ามาบวชข่าวนี่เอาจิ ง, จ, งจริงจริงหลวงพ่อเห็นแล้วก็อายุก็อพอสมควรแล้วละ่ะเป็นร้อยตีตำรวจบวชเข้ามาแล้วท่านถือเนสชิไม่นอนตลอดไตรมาส3เดือนมาอยู่ที่นี่ฟังเลยสิไม่ใช่ธรรมดานะาที่ท่านทำความภาคเพียร ไม่นอนตลอดไตรมาสสามเดือนผมเอาความจัดจิงมาพูดเลยหลวงพ่อนะผมไม่นอนผมจะภาวนาบางทีมันง่วงมากๆผมก็เอ อ, เ อ, อบุญบารมีพ่อแม่ครูบายการนะเน อ, อหลวงพ่ออิน้วยเนอะผมปฏิบัติเพื่อเป็นอาจาริยบูชานะเอ อ, เ อ, อผมตะโกนแรงๆเด้อเพราะมันง่วงมากฮะนี่แหละ อันนี้คือเขามีความตั้งใจแล้วก็เขาตั้งความปรารถนาว่าเมื่อพ้นจากราชการไปแล้วขอให้ได้บวชในพระพุทธศาสนาอีกอันนี้คือ ค, อความปรารถนาในใจของเขาแสดงว่าเขามีความมุ่งมั่นมีความมั่นใจมีความตั้งใจจริงแล้วก็คงจะเห็นผลในการประพฤติธปฏิบัติเรื่อง ภาวนาของเขาหลวงพ่อได้ยินแลยครับการแนะนําสั่งสอนลูกหลานไม่เปล่าประโยชน์แต่ตาผู้ที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติแต่ผู้ที่เสียก็คงจะมีเหมือนกันนะเพราะลูกหลายคนบางคนก็จะมีแต่หาเรื่องอทะเลาะชวนทะเลาะออาจจะมีอยู่เหมือนกันนั่นแหละเพราะลูกหลายคนะแต่ผู้ตั้งอกตั้งใจก็งนา รุ่มปีติยินดีนั้นขอให้พวกเราเมื่อกระถินผ่านไปแล้วนะกระถินผ่านไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ยุ่งเจิงหุ่นวายพอสมควรเรื่องกระถินนะเพราะว่ามีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมากพอสมควรเหมือนกับฝนหมืดฟ้ามืดฝนคลึ้มตกอย่างแรงแต่นี้มันก็จางจางหายไปแล้วพายุผ่านไปแล้ว ่พวกเราที่อยู่ทางในนี่กันนะแต่ถึงยังไงความแก่ความเจ็บความตายมันไม่ผ่านไปด้วยนะพญามัจจราชยังตั้งหมัดตั้งมวยจ้องถือดาบจะประหัดประหารเราอยู่เราจะชะล่าใจไม่ได้เพราะนั้นเมื่อเรื่องมันผ่านมาเราก็เตรียมพร้อมช่วยกันทำการทำงาน อย่างที่ทหารเขา เ, เป็นคำํำบอกกล่าวของนายทหารยามศึกเรารบยามสงบเราเตรียมคือยามศึกศึกสงครามเราก็ต้องรบถ้าจะเปรียบเทียบ ก, กับของเราก็เหมือนกันยามหน้าที่การงานยามกรถินยามอะไรที่เกิดเรื่องขึ้นมาเราก็ต้อง เคียงบาเคียงไหลกันสู้การสู้งานไม่ใช่หลบนะไม่ใช่หลบการหลบงานแต่พองานจบไปแล้วนะโผล่หัวออกมา อ, อ, อันนั้นใช้ไม่ได้ยามศึกเราก็ต้องเคียงบาดเคียงไหลช่วยกันคนละไม้คนละมื อ, อ, อช่วยกันแก้ไขปัญหาตอนรับขับสู้แขกคนที่มาเกี่ยวข้องออยามศึกยามการยามงานเราต้องช่วยกัน แต่เมื่อยามสงบน่ยมันผ่านไปแล้วอย่างนีนะ้เราจะไปเล่ล่าอีกอย่างเก่าก็ไม่ถูกอีกนะเราต้องอยู่ในความอยู่ในฐานที่มั่นนะกับมาหาความสงบเพราะเราปล่อยจิตปล่อยใจปล่อยความรู้สึกไปนมไปมากต่อมากในช่วงนั้นเพอเพอจะกูไม่กลับอีกต่างหากแต่บางองค์เนี่ยกูกก่ไม่กลับนะเพอาะปล่อยมากเกินไ ป, ปอผลที่สุดก็กูไม่กลับถอยหลังยากเลย อันนั้นใช้ไม่ได้เหมือนกันไม่ใช่หน้าที่ของเรานะเรื่องการเรื่องงานเวลาเราสู้เราก็ต้องสู้ เ, เวลาเราเลงมือปฏิบัติเราต้องกลับเข้ามาหาฐาน เ, เราบวชมาเพื่ออะไรเรามาอยู่วัดเพื่ออะไรเรามีเจตนาอะไรที่เราก็มาอยู่วัดปฏิบัติอย่างนี้เรามาทำการทำงานอย่างเดียวใช่ไหมเรามาหาอยู่หากินใช่ไหม เรามาหาพูดหาคุยหาสมัครพรคพวกมาพูดมาคุยอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะใช่ใช่ก็คือเรามาปฏิบัติจิตภาวนาหาทางพ้นทุกตามพุทธบัญญัติตามพ่อแม่ครูบายการแนะนำสั่งสอนใช่ไหมใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นดังั้นขอให้พวกเราทุกๆคนนะอย่าไปช้าลใจอย่าไปนอนใจให้รู้จักหน้าที่ของตนเอง หน้าที่ของข้าคืออะไรหน้าที่ของข้าก็คือเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีเป็นผู้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจพวดให้รอบครับกว่าคิดดีทาดีพูดดีหลวงพ่อเคยบอกให้ฟังแล้วคิดดีนะคิดยังไงทาดีนะทําำยังไงพูดดีตนะ้งพูดยังไง อย่าให้พูดผิดศีลผิดธรรมคิดจะให้คิดผิดศีลผิดธรรมการกระทําก็จะให้ผิดศีลผิดธรรมศีลธรรมคืออะไรก็เราเคยได้ฟังมาพอสมควรแล้วแต่เรื่องคิดดีเนี่ยจุดนี้แหละเป็นต้นตอนเพราะพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาแต่ท่านคิดดีจนได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั่นแหละท่านคิดดี จากนั้นท่านก็มาสอนพวกเราพระหันแตษาวกทั้งหลายท่านก็คิดตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าแนะนำบอกกล่าวท่านก็คิดดีอีกเหมือนกันท่านก็ได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์ตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวสาเร็จนะใคราว่าท่านเป็นด็อกเตอร์มาแล้วมาสอนผู้อีกคิดอย่างนี้นะท่านก็สอนเป็นเดินตามเป็นด็อกเตอร์อีก สอนมาอีกเป็นดอกเตอร์เอกนี่แหละสรุปแล้วก็คือผู้สําเร็จตามพุทธวจนะหรือว่าตามที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนปฏิบัติตามด้วยด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่รู้ตามเท่านั้นนะถ้ารู้ตามเฉยๆนะี่ยยังไม่ใช่นะปฏิบัติได้ด้วย เ, เมื่อรู้เฉยๆแล้วจะนําความรู้นั้นมาว่าเป็นเนื้อเป็นหนังของตนเองข้าพเจ้ารู้แล้ว ไม่ใช่นะอันนั้นเปียงรู้อันนั้นไปนว่ารู้แบบนกแก้วนกขุนทองท่านเองไม่รู้จริงถ้ารู้จริงแล้วก็ลงมือปฏิบัติชำระกายชำระใจชำระกายวาจาใจกายวาจาคือศีลใจเนี่ยก็คือสมาธิและปัญญาหาทางพ้นทุกในวัฏฏะสงสารเนี่ยนะให้ชำระใจสรุปแล้วเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะไม่ใช่ว่า องานกระถินเสร็จแล้วกันนะออมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมีได้หายแต่ทางออกมันออกไปไหนออกไปไหนก็ถืกบ่วงกิเลส ท, ทั้งหมดนันกิเลสมันดักบ่วงไว้แล้วไปที่ไหนไปเที่ยวไปเตรไปสนุกไปสนานไปอนไหนมันก็มีแต่เรื่องกิเลส ท, ทั้งนั้นบ่วงกิเลสมันดักไปหมดแล้วระวังนะกิเลสบ่วงมันรัดคอ ต า, าตายเอาตายเอากิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรดลงเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะที่จะไปที่ไหนก็ไปด้วยเหตุผลไม่ให้ไปเเลยก็ไม่ได้ไปด้วยเหตุไปด้วยผลต้องดูแต่ถึงยังไงข้าไปเจ้าเป็นผู้มุ่งมั่นในธรรมเป็นผู้มุ่งมั่นรักษาคุณงามความดีเหมือนกับเกลือน่ะจะไปตกอยู่ขั้วโลกไหนมันก็เข็ม เพออรเหไเกลือรักษาความเข็มพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันต้องรักษาคุณงามความดีในจิตในใจเอาไว้อย่าชราดใจอยู่นักสถานที่ใดให้ประกอบคุณงามความดีให้เป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีนั่นแหละอยู่ที่ไหนร่มเย็นเป็นสุขด้วยการทั้งหมดถ้าหากว่าคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วแล้วอยู่ที่ไหนก็ชั่วจะหาความสงบสุขไม่ได้นะอยู่ที่ไหนก็จุงเยงวุ่นวายไปหมดทัน อยู่กับหมูกับเพื่อนอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนไหนก็มีแต่เรื่องราวเกิดขึ้นเพื่ออะไรเพราะคิดชั่วทำออาไปกระทําชั่วแต่พูดออกไปก็พูดชั่วอีกนะเพราะนั้นพวกเราต้องดูให้ดีอยู่ในหลักธรรมคาสอนอยู่ในหลักธรรมวินยัยอยู่ในโอวาทของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรนะแล้วจะดูเจตนาของเราอีกต่างหากเจตนาของข้าพเจ้าบวชมาคราวนี้ก็้ามาอยู่วัดครั้งนี้ มาปฏิบัติในคราวนี้มาเพื่ออะไรให้ถามตนเองมาอยู่เสมอถ้าไม่ถามตัวเอง ม, มันลืมตัวนะถ้าจะให้คนอื่นถามไม่ได้ละโมโหให้เขาอีกอแล้วก็ตัดพ่อต่อ ว, ว่าให้เขาอีกอามาดูถูกหรอเ ห, อห่าอีกในตาไม่จริงเขาก็ดูถูกจริงๆเนะ่เพราะตัวเองคิดนอกนอกหลูนอ ก, นอกทางแต่ละวีแต่ละวันนู่นไม่อยู่ในศีลในธรรมเขาก็ดูถูกเลยดูถูกจริงๆเนฮะ แต่เองตัวเองมันถูกเกินไปตัวเองก็โมโหไอ้เข า, เขาอีกต่างหากเนีนี่แหละให้ตัวเองดูตัวเองฮนะจะไม่มีใครตำหนิแต่มันดูยากนะอดูตัวเองมันดูยากนะแต่ที่ยังไงให้ดูไว้นะขอให้พวกเราทุกๆคนนะอย่าไปนอนใจอย่าไปช้าใจเวลาผ่านกระถินผ้าป่าไปอย่างนี้แหละเอคนมันเงียบเป็นโอกาสที่จะภาวนา หาความสงบได้ดีมากแล ะ, ะดินฟ้าอากาศก็เย็นสบายสบายกลางวันก็จะเดินยโยกลมที่ไหนจะหลบไปภาวนาที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นกลางคืนก็เหมือนกันกลางคืนจะไปเทิอนอยู่ที่ไหนเอมันฟ้าฝนมันหมดไปแต่ก็น่ากลัวแต่ตะขาบเท่านั้นพนะอสิ้นหน้าฝนนตะขาบจะมากนะเอะตะขาบ จะออกมาเพ่น่านหน่อยเป็นธรรมชาติของมันเป็นธรรมชาติของสัตว์หลวงพ่ออยู่ในป่าบง่บงลงคงไปหลวงพ่อจะรู้ธรรมชาติมันเป็นยังไงเพะนขอให้พวกเราทุกๆุ ท, กท่านนะตั้งใจภาวนาตั้งใจปฏิบัติเอาตอนนี้ไปรับพร